สิชีวิตินตรียกถา82ว่าด้วยชีวิตินสี่ห้าร้ยสี่สสกวาทีชีวิตินรี่ที่เป็นรูปไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกริยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงไม่มีแก่สภาวธรรมที่มีรูปใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แก่สภาปะธรรมที่มีรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยง มีอยู่แก่สภาวัรรมที่มีรูปท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าชีวิตินทร์สีที่เป็นรูปไม่มีสกวาทีอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกริยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แก่สภาวัรรมที่ไม่มีรูปชีวิตินทร์สีที่ไม่เป็นรูปจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกริยาที่เป็นไปอาการที่สืบตอ่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แก่สภาวธรรมที่มีรูปชีวิตินทร์ที่เป็นรูปจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกริยาที่เป็นไป อาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แก่สภาวธรรมที่มีรูปแต่ชีวิตินทร์ที่เป็นรูปไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แก่สภาวธรรมที่ไม่มีรูปแต่ชีวิตินทร์ที่ไม่เป็นรูปไม่มีใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอายุของสาภาวะธรรมท th ี่ไม่มีร uh ูปเป็นชีวิตินทรีที่ไม่เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอายุของสภาวะธรรมที่มีรูปเป็นชีวิตินทรีที่เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที อายุของสภาวธรรมที่มีรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตินทร์สีที่เป็นรูปใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีอายุของสภาวธรรมที่ไม่มีรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตินทร์สีที่ไม่เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น541รสกวาทีอายุของสภาวธรรมที่มีรูป เป็นชีวิตินทร์ที่ไม่เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอายุของสภาวธรรมที่ไม่มีรูปเป็นชีวิตินทร์ที่เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอายุของสภาวธรรมที่ไม่มีรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตินทร์ที่เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่ ศักวาทีอายุของสภาวธรรมที่มีรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตินตรีที่ไม่เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศักวาทีอายุของสภาวธรรมทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปเป็นชีวิตินตรีที่ไม่เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอายุของสภาวธรรมทั้งที่เป็นรูปและไม่เป็นรูป เป็นชีวิตินทรีที่เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอายุของสภาวธรรมทั้งที่เป็นรูปและไม่เป็นรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตินทรีที่เป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอายุของสภาวธรรมทั้งที่เป็นรูปและไม่เป็นรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตินทรีที่ไม่เป็นรูปใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีชีวิตินทรีที่เป็นรูปไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติไม่มีชีวิตินทรียใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น542รัอกวาทีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีชีวิตินทรีย ใ, ใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้เข้านิโรธธรมาบัตรมีชีวิตินทรีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าชีวิตินทรีที่เป็นรูปไม่มีสกวาทีบุคคลผู้เข้านิโรธทรรมาบัติมีชีวิตินทรีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีชีวิตินทรีนั้นนับเนื่องในขันไหนประวาที นับเนื่องในสังขารขันสกวาธีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตมีสังขารขันใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีสังขารขันใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตมีเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตมีเวทนาขันสัญญาขันบิญยาณขันใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีบุคคลผู้ไม่เข้านิโรธสมาบัตมีเวทนาขันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น543รัอกวาที ชีวิตินทรียีที่เป็นรูปไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอสัญญสัตย์ไม่มีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอสัญญสัตย์มีชีวิตินทร์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากอสัญญสัตย์มีชีวิตินทรีย์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปไม่มี สกวาทีททอาจญรย์ยศมีชีวิติน right? <swimming> ทร์สีใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีชีวิตินทร์สีนับเนื่องในขันไหนปรวาทีนับเนื่องในสังขารขันสกวาทีอาัญรย์ยศมีสังขารขันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีอาจญรย์ยศมีสังขารขันใช่ไหมปรวาทีใช่ตักวาที อจัญญสัตว์มีเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอจัญญสัตว์มีเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันใช่ไหมปรปวาทีใช่สกวาทีพบแห่งอจัญญสัตว์เป็นพบที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสสี ักวาทีเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปชีวิตินทร์ที่เกิดขึ้นด้วยปฏ90ิสนธิจ okay. ิตยอมแตกดับไปส่วนหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีเมื่อปฏิสนธิจิตดับผัสสะที่เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตยอมแตกดับไปส่วนหนึ่งไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที เม right? um ื่อปฏิสนธิจิตดับไปภัสสะที่เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตย่อมแตกดับไปทั้งหมดใช่ไหมปรวาทีใช่จะกวาทีเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปชีวิตินทร์ที่เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตย่อมแตกดับไปทั้งหมดใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้สิบห้าปรวาทีชีวิตินทร์มีสองอย่างใช่ไหม สกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลมีชีวิตอยู่ด้วยชีวิตอินทีสองอย่างตายด้วยความตายสองอย่างใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นชีวิตอินทริยกถาจบ11กรรมเหตุตุกถา83ว่าด้วยเหตุแห่งกรรม546 พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีพระโสดาบันเส fa ืเอสกกอเส่อมจากโสดาปฏิผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาที พระสะกทาคามีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันไม่เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมประวาที <lum false. S 2> ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีพระสกทาคามีพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีพระอรหันไม่เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันเสื่อมจากอรหัตตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมประวาทีใช่ สักวาทีเพราะเหตุแห่งกรรมคือการฆ่าสัตว์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเพราะเหตุแห่งกรรมคือการลักทรัพย์เพราะเหตุแห่งกรรมคือการประพฤติผิดในการมเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดเท็จเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดต่อเสียดเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดคำหยาบเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดเพ้อเจ้อเพราะเหตุแห่งกรรมคือการฆ่ามารดา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 สกวาธีพระอาหารหันเติมจากอารหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมคือการกล่าวตูพระอาหารหันทั้งหลายใช่ไหมประวาทีใช่ักวาธีคนทุกคนที่กล่าวตูพระอาหารหันทั้งหลายทําให้แจ้งอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นกรรมเหตุตุกถาจบอัตรมวัตรจบ รวมคาถาที่มีในวักนี้คือ 1. ฉชคติกถา 2. อ, อันตราภาวะคาถา 3. ามกามคุณะถา 4. กามกถา 5. รูปธาตุกถา 6. อรูปธาตุกถา 7. รูปธาตุยาอายตนะกถา 8. อรูเปรูปกถา 9. รูปังกมมันติกถา สิบชีวิตินธเรียกถาสิบเอ็ดกรรมมาเหตุตุกถา